าผนวกประเด็นเสริมเพื่อย้ำความเข้าใจจากหนังสือสถานการณ์พระพุทธศาสนากระแสไสยศาสตร์โดยพระพรมกุณาพปรปออปยุตโต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 เราจะต้องแก้ไขปรับปรุงพัฒนาตัวเราอย่างไรก็คือหลักศิกขานั่นเองยิ่งกว่านั้นในกระบวนการที่เราจะต้องทำกรรมด้วยความเพียรพยายามและมีการศึกษาฝึกฝนพัฒนาตนตลอดเวลานี้ท่านอย่างย้ำด้วยหลักอัปปมาทะอีกว่าจะต้องมีความไม่ประมาทจะต้องใช้เวลาแต่ละขณะที่ผ่านไปให้เป็นประโยชน์ที่สุดจะต้องเร่งรัดทาความเพียรที่จะผัดเพี้ยนไม่ได้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 จึงอยู่ที่ตัวเราเองจะต้องมีจิตสำนึกในการศึกษาคือการที่ระลึกตะหนักอยู่เสมอว่าเราจะต้องเรียนรู้ฝึกฝนพัฒนาตนให้มีชีวิตที่ดีงามยิ่งขึ้นไปด้วยความรับผิดชอบต่อธรรมคือกฎธรรมชาติแห่งความเป็นไปตามเหตุปัจจัยถ้าขาดจิตสำนึกในสิกขานี้เสียแล้วก็หมดพลังก้าวชาวพุทธก็ย่อมร่วงหล่นหลุดออกไปจากธรรมสู่เทศและสโดยง่าย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 มาสู่ความไม่ประมาทและมาสู่การพึ่งตนได้อันนี้เป็นหลักการที่เสนอให้ใช้สำรวจ